ฮัอฮัมฮัมัมฟงทไม่ฟังไม่ได้ <c oughs> ไม่บอก <c oughs> ไม่สอนกันก็นไม่ได้เ้ อยู่ในโลกนี้มีครัวาจานมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีมิตรหลายหลายคนที่เราเกี่ยวข้องหลดภัญยาสามีต้องทำหน้าที่เกี่ยวข้องกันให้ถูกต้อง แล้วก็เกี่ยวข้องกับตัวเองให้ถูกต้องเรียกว่าปฏิบัติธรรมอภิธรรมก็คือทำตามความถูกต้องความไม่ถูกต้องอย่าไปทำตามมานันมีอยู่ในตัวเรานอกตัวเราความถูกความผิด มีมากถ้าเราไม่ทำในสิ่งที่มันผิดให้มันถูกมันก็ผิดเลื่อยไปความผิดเจริญมากขึ้นเป็นทุกข์เป็นโทษตกนรกหมกไม่เป็นเป็ตเป็นสุรกายสติรักฉานถ้าถูกถ้าเราไม่ทําตามก็ไม่ประโยชน์ ไม่คุ้มค่าชีวิตเราที่เกิดมาจะทำตามความถูกต้องไปมักไปผลไปนิพพานชีวิตของคนเรามันเป็นสัตว์ที่ประเสริฐมันจะสอนจะใช่ให้มันเกิดประโยชน์มันก็มีความพร้อมแล้วมีกายมีใจ แล้วก็มีสติออกไปเพื่อจะได้ใช้ถ้าไม่มีสติมาจะมีความหลงม า, ายก็ใช้ใช่ความหลงก็ผิดต้งหาให้มีสติมืนก็เรามีชรัพมีเงินเพื่อจะได้ใช้จ่ายเรื่องชีวิตรักษาสุขภาพ เรื่องลูกเรื่องหลานต้องขอยันหาสติเป็นการใช้ชีวิตส่วนฝ่ายนายแลทังฝ่ายน้องเพื่อให้มันเจริญเติบโตในมากในผลมันใช่เวลามันหลงมันจะไม่หลงถ้ามีสติเวลามันทุกข์มันจะไม่ทุกข์ถ้ามีสติ เวามีปัญหาม่นจะไม่มีปัญหาถ้าเราไม่ีสติถ้าไม่มีสติก็มีทุกเป็นทุกไม่หลงเป็นหลงม่โกรธเป็นโกรธปัญหาเป็นปัญหาเป็นทุกเป็นโทษไปเราจึงมีสติเรียกว่าทรัพยาเรทรัพย์ภายในมีเงินมีทองเป็นทรัพภายนอก ตามสมมติปัญญาตติเป็นชอบภายในเป็นประมัิสัจจะขาดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ให่มากกว่าชอบภายนอกละความหลงมีมากแปดหมือนสี่พันอย่างที่อยู่ในกายในใจเราเนี่ยควรชอบภายนอก ก็มีเกิดเจ็เจ็บตายมีอยู่มีกินปัจจัยสี่ที่มันเป็นดุนเป็นก้อน ช, ชาชภายปนอกก็ยังไม่ไปถึงไหนยังเกิดยังแก่ยังเจ็บยังตายอยู่แต่ชาไปในมันจะไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายไปไกลกว่าชาไปนอก ถ้าไปนอกใช่ได้เฉพาะถ้าจะไปใช่ก็ใช่เฉพาะเชิงตะโกนไปอย่างนั้นไม่ได้ถามกันไปเผาใช่ได้เท่านั้นแต่ไม่ใช่ตัวเองไ ม, ม่ได้ใช่คนเขาใช่ใช่ได้เฉพาะเวลา หายใจเข้าได้หายใจออกได้การหายใจเข้าหายใจออกมันนิดหน่อยงั้นชีวิตเหมือนน้นาข้างบนยอดอยานิดหน่อยจึงไม่ควรประมาทเรามบรูธรรมที่ตรงไหนตรงไหนจึงจะเรียกว่าบรรลุธรรมมันยากไหม การบรุธรรมน่ยต้องอดหลาบอดนอนไหมต้องกดเข้าน้ามไหมเหมือ น, นกับที่ต่างๆต้องเปื่อยกายหรือบรรลุ ธ, ธรรมต้องไม่กินอะไรเลยหรือบรรลุ ธ, ธรรมอยู่ในดงในป่าหรือบรรลุ ธ, ธรรมไม่ใช่การมรรุธรรมเวลามันหลงไม่หลงแล้มันโกรธไม่โกรธ ลองมันทุกไปทุกก้าไปจากนี้ถ้าไม่ก้าวตรงนี้มันก็ไม่ไปมันก็ไม่ได้มารู้ธรรมอะไรต่อไปไม่มีก้าวที่หนึ่งถ้เมื่อเมื่อไม่มีก้าวที่หนึ่งก้าวที่สองก็ไม่มีมันกไ็ไปไม่ถึงไหนหลงจนต่อยโขดจนต่อยทุกจนต่อยถ้าใครยังหลงอยู่นั่นแหละไม่มีโอกาสมารู้ธรรม นั่งอยู่ก็บนลวดทำนอนอยู่บนลวดทำยืนอยู่กบนรวดทำเดินอยู่กบนลวดทำอยู่ที่ไหนก็ได้บนลธดทำของหลงมันไม่มีอริบทยืนจะเดินจะนั่งจะนอนในป่าในรุ่มในดอนที่ไหนก็หลงแม่แต่ผมพ่อเหลืองผมพ่อข า, ขาก็หลงหัวโล้นผมนุ่นงชีไหนก็หลง รวมหลงมันก็ไม่เลือกเวลารวมบรรุธรรมก็ไม่ต้องเลือกเวลาให้มันเป็นคู่กันการบรุธรรมไม่ใช่เรื่องยากมันทำได้เรามันหลงไม่หลงก็ได้เรามันโกรธไม่โกรธก็ได้เวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้ ขยันน่าจะเป็นเรื่องขยันมากๆตัวนี้มันดีมันถูกต้องมันชอบทามันจะขยันถ้าเราสัมผัสไม่ใช่ไม่ใช่ใชปึกหนาตรงนี้เวลาหลงเวลาไม่หลงมันต่างกันมากๆ แลามันโกรธให้โกรธต่างกันม า, มากๆโดยมันทุกข์ไม่ทุกข์ต่างกันมากระหว่างทุกข์กับความไม่ทุกข์แล้วก็ <c oughs> อย่าหนาอยา่าหยาบตรองนี้ให้ให้มองให้เห็น <c oughs> ให้สัง fatt ดูก็ <c oughs> เลือก <c oughs> เป็น จะได้ความชอบจะได้ความถูกต้องและมันสะดวกกว่ากันมากๆบริสุทธิ์สะอาดกว่ากันเช่นเวลามันหลงง่ายหลงเนี่ยมันสะอาดว่าความหลงสกปรกกำผัดตัวแล้วเพิ่มทุกข์สกปรกว่าไม่ทุกข์สะอาดบริสุทธ ความโกรธสกปคกก็ไม่โกรธมันสะอาดบริสุทธิ์อิสระภาพในชีวิตนี่คือชีวิตอันความหลงความโกรธความทุกข์ปัญหาไม่ใช่ชีวิตเป็นโทษเป็นภัย ในที่ชีวิตแบบนั้นมันเป็นอะไรไปไกลความหลงก็เป็นเตปเป็นสุรกายชนะนโลกได้เป็นสุขเป็นทุกข์เนี้ยไม่ต้องไปสุกเป็นทุกข์สุข ก, ก, ก, ก็หลงทุกข์ก็หลงให้มันเห็นให้มันเห็น อย่างเข้าไปเป็นมันจะบริสุทธิ์เป็นพรมาารมชาย์ภาวะเช่นนี้ไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยมันก็อันเดียวกันอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันหมดมันไม่ใช่คนละอย่างใครก็ช่วยกันไม่ได้ต้องทำเอาเองทั้งนั้น สวนที่จะได้หลักตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยแต่ตื่นแต่เดึกศึกแต่นุม่มจะได้ใช้ชีวิตสะดวกเป็นยาวนานและก็ก็จะเป็นชีวิตก็ชีวิตยืดยาวได้ชีวิตตั้งแต่เด็ก <c oughs> น้าใส่ใจแล้วนี่จริงๆมีชีวิตตั้งแต่ยังไม่เกิดก็ว่าได้นั้นเกี่ยวข้องกันเช่นพ่อแม่ที่มีที่ทำให้ลูกเกิดนั้นเกิดอะไรเช่นก็เวชฉันดอนทะนางพู้จะดีทําทำไมจึงมีลูกเป็นปราเว e เจ้าคงสนใจและดังพุทธสิ่ทำไมได้ลูกเป็นพระเวชสันดรแต่เจ้าสโรธนะนางชีมหาวายัางทำไมาได้ลูกเป็นพทะเจ้าก็คมนมาเราเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีเรื่องนี้มันก็มีเรื่องนั่น มีแต่เปรตมีแต่สุรกายเต็มบ้านเต็มเมืองก็ไม่มีวิญญาณแทกว่าเป็นพระแล้วชีวิตของเราเป็นประศิดเลือกได้กว่าอย่างอื่นถ้าไม่รู้จักปฏิบัติธรรมมันก็ลำบากกว่าสัตว์อื่น ต้องมีคุก ม, มีตารางมีการประหารชีวิตข่าทิ้งถ้าไม่ศึกษาพระดังก็มีโทษมากมายชีวิตคนคนหนัง่งทำห้คนทั้งโลกเดือดร้อนได้จึงมีศาสนามีหลักปฏิบัติเพื่อจะให้อยู่ในความ สงบร่มเย็นร่วมกันอันโลกที่เรามาอาศัยนี่ต่างชีวิตก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็เดือดร้อนเพราะคนอื่นทำเราไม่ทำเขาเดือนเขาทำจึงเป็นศาสนาเป็นที่สูรรวมเพื่อให้เกิดความดีร่วมกัน มีคำสอนนะาที่ถูกต้องปฏิบัติตามทำอันที่มันถูกความถูกความผิดเกิดอยู่ที่เราเนี่ยอันหล ง, ลงแส้งว่าผิดแล้วไม่หลงแส้งว่าถูกถ้าเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงใช่ได้ถ้าหลงแล้วไม่เปลี่ยนใช่มาได้เลย มาจากงอกงามนะความหลงเป็นอะไรไปได้เหมือนบิดามารดาของความชั่วอย่านึกว่ามันเล็กน้อยความหลงแม่นิดหน่อยก็ไม่ค่อยปล่อยทิ้งใส่ใจเช้นหน่อยให้มันให้มันเป็นจ้าวแรก ที่จะได้ชีวิตก่เกิดขึ้นที่นี่กาเนิดของชีวิตเกิดที่นี่ไม่ใช่เกิดมาแล้วมานั่งอยู่ยืนเดินนั่งนอนได้อ น, นั่นไม่ใช่ชีวิตชีวิตแบบนั้นยืนเดินนั่งนอนนันมาเคยดแกเจ็บตายได้ชีวิตคือมันเนี่ยมันหลงไม่หลงมาทุกข์ไปทุกข์มันโกรธไม่โกรธ ม, ม, ม, มันพอใจมไม่พอใจ นั่นไม่ใช่ชีวิตใช่ชีวิตที่มีโทษให้แบบนั้นนะมามองดูรดโทษเป็นมีความทุกข์เป็นบางหน้าถูกความทุกข์ย่างเอาก็มาเห็นอย่างจร่งเลกะตือรือลนรีบด่วนหายใจเข้าไม่เข้ามันก็ตาย หมาจะออกไม่ออกก็ตายแล้วปดแล้วอันชีวิตอันนี้เราไปห้อยไปเขียนไ้กับกายกับใจที่มันใช่อะไรได้ไม่ใช่กินเหล้าก็จินได้เที่ยวเต่ดได้รอนไ ด, ด, ด, ด้นี่ไม่ใช่ชีวิตตายเป็นทุกข์เป็นโท ษ, โทษหลวงตาก็เดินทางมายาวนาน ประสบการเรื่องนี้มาสมบุกสมบันต้มลุกคุกขานมาแล้วในโลกแบบนั้นเจงกระตือร้อนมาบอกไม่ต้องมาคุยอวดงันขนาดไหนโลกรสชาติของโลกได้ชมผัดมาแล้ว ไม่ต้องให้พวกเราได้เสียเวลาวางทาี่ชีวิตมีการมีใจจนเท่าจนแจกไปค่อยศึกษาแล้วนี่ยฟรีไปเลยไม่คุ้มค่าน้ำนมไม่คุ้มค่าพาะแม่เที่ยงมาขาดทุนว่าแม่เราอาจทำไม่ได้แต่เราก็ทำไปได้ขาดทุนไป ล่มเหลวไปหมดอุษาหาทรัพย์สมบัติหลังชั่วว่านาชืเป็นของขายแล้วก็เห็นกันอยู่ไอ้ช่วยชีดหลองตาเห็นเนี่ยเป็นเฉษฐีมหาเฉษฐีเป็นของขายเป็นเฉดถีเพราะอะไรเป็นถีเพราะทรัพย์ทรัพย์เป็นของขาย รสชาสร้างว่าสร้างเรือนอสรสษาหาชาวไห้เป็นของไขไปมันถ่ายทอดไปทีงไหนใช้ญาติเราไหมที่เป็นเจ้าของมาทีไม่ใช่ญาติเราเลยความหวังควาชื่อของมดิชใชต้องสู้ว่าหาสิน่นหาสิ่งร้อนใด มันคืออะไรน่าจะรู้จักแล้วก็เห็นอยู่เช่นญาติพี่น้องงพ่อหลงตาน่ยยังเห็นอยู่เห็นคนที่มีฐานะดีเจยวนี่ฐานะดีทั้งหลายทั้งหลายไปอยู่ที่ใครสมบัติของยอดยาตก็อยู่กับใคร ส่วนเนี่ยก็เห็นอยู่้อนนั้นตเป็นส่วนน้นนอยน้อยไม่ใช่ชีวิตเราชีวิตเรามันเคยเนี่ยเป็นสมบัติของเรานุ์สมบัติสวรสมบัตินิพานสมบัติแน่นอนเป็นอริชพ์ แต่ไม่แบ่งไม่ปันน่าใครไม่ได้ไฟไหม้ก็ไมไหม้ไฟก็ไม่ไห ม, ไไ ม, ไม้น้ำก็ไม่ท่วมโจ น, นก็เรากไม่ได้ไม่มีภัยอะไรแต่ทราบต่อ น, นั่นเ้าก็มีภัยตะขีภัย ไ, ไฟไหม้โอทุกข์ก็ภัยน้ำท่วมโจระภัย โจนลักเอาราตาภัยลมพัดราชาภัยราชากาดขูดรีดภาสีอากาศ <c oughs> ไม่มีภัยแบบส่วนมักผลผนิ่ยานสติปัญญาไม่มีภัยใครไม่ ใขรเอาไม่ได้เอาขยันตรงนี้สักหน่อยน่าจะให้พูดเราเมื่อมีอริชับภายในชับภายนอกมันก็ไม่ยากเป็นเครื่องอาศัยที่จะให้สะดวกหาได้คบผงจรถ้ามีชับภายในคะคบผงจร สุขภาพก็ดีสังคมก็ดีเศรษฐกิจก็ดีชีวิตก็ดีสะดวกโตถึงลูกถึงหลานเพ่าแม่เป็นพระลูกก็เป็นพระเพราะแม่เป็นพรหมลูกก็เป็นพรหมเพ่อแม่เป็นเทวดาลูกก็เป็นเทวดา ถ้าพ่อแม่เป็นเป็เปดลูกก็เป็นเป็ดพร่อเป็นอะไรก็ลูกก็เป็นอย่างนั้นนะกับต้นบใบลูกใบหลนไม่ไก่ต้นมันเป็นกรรมจริงๆต่อทาอะไรไวปกับไข่ตาก็มีหนี้ล้วก็เป็นลูกของพ่อของแม่ พ่อแม่เป็นเจ้าหนี้ของเราครู่าอาจารย์เป็นเจ้าหนี้เราตอบแทนยังไงก็พูดกับพ่อกับแม่ได้ไปเมืเม่อลูกของพ่อของแม่คนเนี้รับรองเราพ่อแม่ไม่เสียค่าเลี้ยงดู เคยใครเค ย, เคยพูดเรื่องนี้กับพอกับแมบบ่ตกหนอกใครพ่อแม่ดูบ้างลูกชายของพ่อของแม่ลูกสาวของพ่อของแม่คนนี้กุ้มคาแล้วพ่อแม่ที่ให้กําเนิดเกิดมามีเคยกล้าพูดเังนี้บ้างเสนอเรื่อง น, นี้ขึ้นมาบ้างแต่ เอ่อมีคุณธรรมเกิดขึ้นไหนจะจะไม่พูดเรื่องนี้ไปได้ไดกับพ่อกับแม่ได้จะแดงออกอย่างสุดชีวิตใช้คำคุดอันนี้ออกมากับพ่อกับแม่ได้เวลาพ่อแม่ใจจะขาดหลงพูดอีกกวาละนึ่งตบหน้าอกนอั่งอยู่ใกล้กลแม่ด้วยกระชิบหู นั่งอยู่ใกล้พ่อค่อยกระชิบหูล้มดลับลูกลูกของแม่ไม่ยู้กี่คนเป็นหญิงกี่คนมปชายกี่คนเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนี่คือลูกของพ่อของแม่พ่อแม่ไปลงเป็นห่วงลูกทั้งหมดจะดูแลกันเพ่อแม่พ่อสอนมา ไม่ต้องเป็นห่วงไม่คุ้มค่า อ, อ้ามันคุ้มค่าแล้วแม่เกิดลกูกพ่อเกิดลกูกเนี่ยตกต้องอกใส่ไม่เสียแลงแม่ยังไม่ตายไปไหนอยู่กับหัวใจของเราเนะงานวันหนึง่งหลวงพ่อไปวัดหลวงพ่อจรัญโยมจำศีน ออยอมเห็นหน้าอยาอมหลวงพ่อก็ถามว่าอ้าวหลวงพ่อจะรันไปไหนเลยโยมหลวงพ่อจะรันไปไหนหลายคนตกหน้า อ, อ ก, าลอกลหลวลงพ่อจะรันอย่หัยใจเนี่ยชื่นใจถ้าตอบว่าหลวงพ่อจะรันตายไปแล้วมันก็ไม่มี ควารู้สึกที่จะเป็น <c oughs> หน้องพ่อเจริญพุทเจ้าวันนี้ผ่านไปแล้วพ่อแม่เราตายไปแล้ไม่ใช่เมื่อหั่นนิวจีนนิวกายใจของเราได้มาจากพ่อจากแม่จะทําความดีเรื่อยไปทําบุญทําทานทําความดีเป็นทูตแทนของพ่อแม่เรื่อยไปไม่ทําชั่วเด็ดขาดลูกของพ่อของแม่คน อ, อยู่ที่ไหนจะทําแต่ความดี นคือคือภูมิอยนีพ่อแม่ให้ก็มดเกิดมาประกาศอยู่เสมออยู่ที่ไหนก็พ่อนม่ออกด้าวออกตาสมบักเป็นทิพย์เบื้องหน้าเราจึงไม่เป็นนี่เราจึงบรรลุธรรมกรเัเถิด ง่ายง่ายถ้าใครหลงบรรลุธรรมตรงที่ไม่หลงเปลี่ยนหลงเป็นลูกถ้าไม่มีความลูกก็ประกอบขึ้นมาความลูกก็ไม่จะไปหาหลังสูฟาหน้าสูดีหน้าลายตามรอยพระเจ้าง่ายง่ายมีสติไปในกายหัดตายนปเลยลไร ไปในกายประจำเคือ่อะไรนอยู่ที่ไหนล่ะกายอยู่ที่นั่นมีสติไปในกายทำอะไรมีสติไปในกายกายทำอะไรกายยืนเดินนั่งนอนคโคเหยียดเคลื่อนไหวหายใจเข้าหายใจออกมีสติไปในกายเนื้อกายนอกจากอริยบ แล้วก็มีสุขมีทุกมีสติไปในกายอย่าให้สุขเป็นสุกอย่าให้ทุกเป็นทุกมีสติไปในกายให้มันรู้ให้มีแต่ภาวะที่รู้เข้าไปดูไปเห็นอย่าให้เป็นสุขเป็นสุกทุกเป็นทุกให้มีสติเข้าไปเห็นถ้ามีสติเข้าไปเห็นสุขก็ไม่เป็นสุขทุกไม่เป็นทุกเรียกว่าเห็นรู้แล้ว ภาวะที่รู้เนี่ยไม่ถึงสุขถึงทุกข์ถึงโกรธโลภหลงเห็นเห็นแล้วไม่เป็นไปกับอาการต่างๆเกิดขึ้นกับกายกับใจไม่ถึงเป็นสุขเป็นทุกข์มันจะเก่งไปเจ่งไปเ จ, ปจเริญง่ายๆเป็ น, ปนชีวิตที่บรรลุธรรมตลอดเวลา ไม่เปิดเพื่อนกับเชียงรายนี่มันจึงจะคุ้มค่าน้องตาไปองเทปก็ไปแสดงธรรมที่สนามบินให้พนักงารการบินฟังไปที่สรงพยาจุฬาค็มีคมณะแพทยศาสตร์ปอง มีแต่คนปฏิบัติธรรมเราชื่ออย่างไรอะใจพื่อนั่นเขาปฏิบัติเล้วเราก็โคนวหมือนกันนะมีใครเคยหลงนั่นแหละปฏิบัติธรรมตรานั้นมีใครเคยเป็นทุกข์นั่นแหละปฏิบัติธรรมตรานั้นชิงเศร้าหลงคนหนึ่งเขาไม่หลงกันแล้ว สิ่งที่เราทุกคนเอิญเขาไม่ทุกคนแล้วสิ่งที่เราพอใจคนหนึ่งเขาทิ้งไปแล้วสิ่งที่เราไม่พอใจคนหนึ่งทิ้งไปแล้วเรายังไปงงง้มมาวๆอยู่สิ่งเขาทิ้งไปขยะบ้าหอบฝาอะไรก็เอาเป็นตัวเป็นตนไปกูไปซะหมด เราเที่งกันแล้วล่าสมัยงูเเงวโตวตุนไปอยู่ในความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงควารักของมชังความพอใจความไม่พอใจถูกหลอกมีสาธะมีอาสาทะถูกหลอก ชีวิตถูกหลอกชอบหลอกชอบหลงชอบเสาะหาความสุขเสาะหาความทุกข์ควาทุกข์ความไม่พอใจเชื่อยื่ยงหูฟังเพื่อจะได้โขดเพื่อจะได้ทะเลาะกัน <c oughs> <c oughs> นะถูกหลอกกันมากในโลกเด้คนหลอก ให้หลงมีมากบริษัทในประเทศไทยในโลกหลอกนะคนหลงมีมากเราชื่อค้องใหญ่ห้องบังใหญ่เม็ดห้าสิบว่าจะตีให้มันดัง<ม>ถึงบ้างโคกุงไม่ดังเลย ม, <laughs> มันหลอก อวบใหญ่มันอะไรงั้นเหีบหอสินค้าทั้งหลายมันหลออยาสีฟันบางเจ้าห่อหลกดทกแสนเนี่ยมาบีบมาบีบมาบีบจนครึ่งหลอดยังยังไม่มียาออกมานี่จะลมถังเหลืองที่สังฆฐานที่คนนิยมกันมีอะไรที่นั่นผับกระดาษใส่ ข้าเหลืองเราชิ้นเล็กๆเท่ฝาฝ่าเปื้อแปะด่างไปมาถือก็ไม่ได้โอ้ชื่อมาสามรอยบาทบางทีเทียนห่อเป็นรูปห่อใหญ่แต่มีเทียนน้อยแค่ไม่เคี่ยวันในสองเล่มมาหลอกให้พระ <laughs> นีจของหลอก <laughs> พระก็มีที่เก็บ ถ้าก็ถือไม่ได้เพิ่นข ย, ย ะ, ะข้อใหญ่ๆนี่คืออะไรทองเหลืองทองแดงทองแดงมันผสมอะไรมาสังเกตสีบ้างทำท่าเป็นข้อใหญ่หลายจังหลายหมืน่นไม่มีค่าตีก็ไม่ได้เคี่ยถึงไป ไ, ไหนตีไม่ได้ <laughs> มันหลกอก <c oughs> อันเีินหลอกกันเพราะว่าอันเราอันี่หลอกตัวเราเนี่ยสําคัญที่สุดผีหลอกไม่กลัวคนหลอกไม่กลัวกูัวแต่ตัวเองหลอกตัวเองนัถ้าเราหลอกเราได้อันเดินก็หลอกเราได้ถ้ามีหลงเป็นทุนเราหลงง่ายแต่เป็นรูปเป็นทุนหลงยากทําไมเราจึงต้องไม่ปฏิบัติธรรม พลาดไปแล้วเวลามันหลงไม่รู้พลาดท่าไปแล้วเสียประโยชน์มันได้ประโยชน์จากนี่แหละบุตรเหลียนที่มีค่าจากชีวิตเรานเะนี่ยมันหลงนั่นแหละมีค่ามากลองดูช่าหน่อยอันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วลองมีสติเข้าไปดูช่าหน่อยจะได้ชื่นใจ เมื่อเราเห็นงูจะชื่นใจจะได้ปลอดภยัยเห็นหลงไม่หลงปลอดภยัยเห็นทุกข์ไม่ทุกข์ปลอดภยัยเห็นโกรธไม่โกรธปลอดภยัยพอใจไม่พอใจเห็นมันไม่เป็นไปกระมันใม่ปลอดภยัยเป็นคิวที่ไม่มีภยัยเรียกมาอายะบุคคล เป็นพมาจาันไม่เป็นพมาจาันไม่ใช่โขนผมผมเหลืองผ้าขาวพมาจาันคือบาบาที่ไม่เป็นมิได้เห็นมันสุกเห็นมันสุกมันทุกข์เห็มันทุกข์นี่คือพมอาจาันบริสุทธิ์บริบูรณ์ชื่นเชิงทั้งอัถฐทั้งพยัญชนะ ั่นเคยชีวิตของเราเนี่ยยิ่งพวกเราเป็นนักปวดนั่งให้ขนกาบไหวมันก็คือตัวเราเนี่ยสมควรไหมเป็นพระจังไรอะไรที่มันดีกว่าญาติชมอากาบไหวเรา ไม่ใช่รูปแบบมันเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในใจเราเราไปเบีนทบบาทเขาใช้บาทให้ชื่นใจไหมขอขอหนี ม, ม, มีมีงานอะไรที่มันประเสริฐที่มีสิด จ, จินข้าวฟรีได้เนี่ยมันก็มันก็จะ มันก็จะไม่ประนาญอย่างม า, มากเลยเวลาใดโยมกราบไหว้เอียมันเก็บใจเวลาใดเขายกค้อนเข้าวใส่บาทมันเก็บใจมันจะทําให้เราไม่ไปบำมาญมันจะทีตัวขึ้นมาถ้ามันเช่าโองอยู่มันก็เป็นเป็นบาปทุกพุทธเจ้าตัดไว้ที่สุทุศิล ภิกษุทุศี น, นกินข้าวชาวบ้านก็เหมือนกินค้อนเหล็กแดงภิกษุทุศีนหอมจีวรชาวบ้านก็เหมือนหอมไฟกะติลูกเป็นไฟจีวรลูกเป็นไฟถ้าทุศีนไม่มีศีลไม่ละความชั่วไม่ทำความดีไม่มีกิจบริสุทธิ์น่ะ พิจู ส, สานานกาหมาขีเลื่อนงูงเพื่อนคูดไม่ใช่ชำนะก็อ้างตนว่าเป็นชำนะไม่ใช่พวกพฤธรรมอ้างตนว่าพวกพวกทิทธรรมเป็นคนโน่าไหนเปลือกแขกเหมือนบ่อที่เทขยะยำมุนฝอยปลูกปิดช่อนเล่นตอกหลวงโกหกดมเทศนกยางเจ้าเล่งอ เก็บปวดตั้งอ่านพระสูตรหลนเพราะนั้นเราเน่ยจะไม่ประมาทที่สุดเลยนะกินข้าวชาวบ้านผมจีวอ น, นอนกตินี่ก็หลังจะทากติสละต่อไปอาจางยิเชิทำไปเพื่ออะไรนะ เ อ, อจะพิสูจน์ลองนี่ดูสิเรายัางมีน้ำใจด่าให้มาปฏิบัติถ้าคนไม่มาปฏิบัติล้วขาดทุนไม่มีงานทำจุกโตก็ไม่มีพระอยู่แล้วเราอยู่ได้เพราะคนมานั่งปฏิบัติเป็นความท่องการของพวกเราเห็นแม่ขีนุ่งขาวมาอยู่ด้วยกัน ชื่นใจเห็นยอดโยมมาอยู่เนี่ยชื่นใจเหมือนมีเหมือนมีงานที่ต้องทำไม่เอาอเทียบเราจะสศนเรื่องี้พิสูจน์เรื่องนท้า่ายเรื่องี้มันมีจริงจริงไอ้มีบาปมันก็มีมีบุญล่างบาปมีทุกไม่มีทุกต่างทุก มีตายไม่มีตายมีเจ็บไม่มีเจ็บมีแจลไม่มีแจลมีตายไม่มีตายได้จริงในคำสอนในพระธรรมเนี่ยเหนือทุกข์เหนือโกรธเหนือโลภเหนือหลงเหนือเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราปฏิบัติอย่างี้เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเนี่ยเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์นี่มันจะเหนือไปเรื่อยๆ เราต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายเราจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้มันชิมแข่งกันนั้นน่ะนะไม่บอกไว้สอนมาได้คิดแต่จะช่วยใครจะสอนใครนะทุกวันนี้ไม่ได้คิดถึงลูกถึงหลานไม่ได้ฟ้องมันนู่นเลยหวงว่าจะให้คนมาปฏิบัติจ ะ, จะบอกอย่างเนี้เดี๋ยวมันก็จะตายแล้ว ไปหาหมอมาหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วต้องจะขออยู่ได้ต่อไปฮะเรเปลียนเนาะเนาะสมควรเจ๊เวลา